ดวงจันทร์ในจักรวาลอื่นเขาก็มีดวงจันทร์ไม่ใช่มีดวงนี้ดวงเดียวเเวลานี้ทำภูมิศาสตร์เราค้นพบว่าดวงจันทร์มีเพียงสิบห้าดวงแต่ว่ายังมีมากกว่านี้พระจันทร์ยังมีอีกเยอะถ้าในจักรวาลเนี่ยทั้งหมดอันกว้างใหญ่เลยยังมีพระจันทร์อีกหลายดวงแต่ว่าพระจันทร์เนี่ยอยู่ใกล้โลกมนุษย์เราดวงหนึ่งเราก็เห็นพระจันทร์ทุกๆข้างขึ้นสิบห้าวันทีหนึ่งเราก็เห็นพระจันทร์ขึ้นมาทีหนึ่ง แต่เราก็เห็นพระจันทร์เพียงเสี้ยเดียวเห็นด้านเดียวอีกด้านหนึ่งเรามองไม่เห็นเห็นด้านที่ส่งมาในโลกมนุษย์เท่านั้นแต่อีกด้านหนึ่งเราไม่เห็นเนี่ยเราจรึงเข้าใจว่าประจันทร์มีดวงเดียวแต่ว่าในพระไตรปิฎกว่าไว้วมีหลายดวงไม่ใช่ดวงเดียวพระอาทิตย์ก็มีอยู่หลายดวงไม่ใช่ดวงเดียวเนี่ยเป็นเรื่องของโลกวิถีทูที่เราสามารถเทียบเพียงกันได้ว่าระหว่างวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์นั้นใครจะก้าวหน้ากว่ากัน แล้วก็มีเหตุผลดีคนกันที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเทศนาเวนี้เรามาเทียบกันกับหลักวิทยาศาสตร์ในสมัยใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าเหตุผลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาเวนั้นเป็นสัจธรรมมากกว่าแล้วก็สัจธรรมอันเนี้ยจะปรากฏชัดก็ต่อเมื่อเราได้ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังเราก็จะเห็นความจริงในพระไตรปิฎกเนี่ยได้แจ่มชัดขึ้นมาแต่ว่าเป็นที่น่าเสดายอยู่อย่างหนึ่งว่า เราศึกษาพระไตรปิฎกนี้บางทีเรามองไม่เห็นหรือตีความไม่แตกว่าอันนี้คืออะไรได้แก่อะไรบ้างเราจึงไม่เข้าใจว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยเรามีอะไรอยู่บ้างเราจึงเข้าใจว่าการศึกษาหาความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ต่างๆเพื่อความเป็นอยู่ของมนุษย์นั้นเราจะต้องเรียนศาสตร์เหล่านี้จากทางตะวันตกฉะนั้นคำทีที่เราศึกษากันอยู่ไม่ว่าจะเป็น เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือแม้แต่ในด้านจิตวิทยาเราก็มักจะศึกษาเกี่ยวกับคมภีร์ของฝรั่งในต่างประเทศเพราถือว่าเขาได้ค้นความาก่อนแล้วแต่ถ้าเราได้สนใจกันสักนิดหนึ่งในพระไตรปิฎกเราเนี่ยมีศาสตร์อยู่ทุกศาสตร์ผู้ทเรียนพระไตรปิฎกแตกฉานจริงๆแล้วก็จะเข้าใจศาสตร์หลายๆศ า, าสตร์ แม้กระทั่งเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนกันอยู่ในปัจจุบันท่านก็สอนไว้โดยละเอียดอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นหลักที่รัดกุมใช้ได้พิสูจน์ผลทันทีไม่ต้องคอยถึงสิบปียี่สิบปีจะทดลองกันเพียงสองปีสามปีก็จะเห็นผลบางทีบางข้อปีเดียวก็เห็นผลท่านตรัาไว้โดยละเอียดหมดเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายว่าเราไม่ได้วิจัยออกมาเป็นตำรักตำราว่าท่านสอนถึงเรื่องราล่านี้ไว้อย่างไร อาตมาคิดมานานว่าถ้าหากว่าเราสนใจค้นคว้ากันอย่างจริงจังนักวิชาการทั้งหลายที่ได้ศึกษาทางโลกมาดีพอและผู้ที่ค้นคว้าทางศาสนาดีพอเนี่ยมาร่วมกันค้นคว้าก็คงจะได้สัจธรรมที่แท้จริงที่จะถือเป็นศาสตร์ในการศึกษาและก็นำมาปรับปฏิบัติให้เกิดผลจริงๆนี่ยได้มากยิ่งขึ้น ตมาเชื่อมั่นว่าผู้ที่ปฏิบัติตามหลักที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วไม่ผิดพลาดแน่ถ้านำศาสตร์เหล่านี้มาใช้แล้วก็ไม่ผิดจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องของสังคมหรือจะเป็นเรื่องใดๆก็าตามถ้าเอามาใช้แล้วไม่ผิดแน่เพราะว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยละเอียดแม้แต่การแก้ปัญหาความเสื่อมทรามทางด้านสังคมมนุษย์ท่านก็ได้สอนไว้ว่าควรจะแก้อย่างไร การแก้ไขเรื่องปัญหาโจรผู้ร้ายชุกชุมเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยท่านตรัสได้หมดเลยในพระสุตตานตปิฎกว่าเราควรจะแก้ไขอย่างไรจึงจะสามารถแก้ปัญหาเหล่าเนี้ได้ตกท่านแสดงไว้โดยละเอียดนะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่าเราได้พนใจศึกษากันแล้วเราจะเห็นพระพุทธคุณได้มากขึ้นว่าความเป็นโลภีตู ค, คือผู้รู้แจ้งโลกที่เราได้สวดสนเสริญกันอยู่นั้นเป็นความจริง ว่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกจริงๆนี่เป็นเพียงโลกในด้านวัตถุที่เราได้เห็นกันได้ง่ายแต่ว่าโลกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งนั้นยังมีลึกซึ้งลงไปกว่านี้อีกเพราะคําว่าโลกนั้นท่านได้แสดงไว้มีอยู่ถึงสามประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งเรียกว่าสังขารโลกประเภทที่สองเรียกว่าสัตะวะโลกประเภทที่สาม โอกาสโลกคำว่าสังขารโลกในที่นี้ท่านหมายถึงโลกคือสังขารถ้าพูดถึงโลกคือสังขารแล้วคำว่าสังขานเนี่ยหมายถึงนามรูปด้วยหมายถึงธรรมชาติที่ปรุงแต่งด้วยที่หมายถึงนามรูปนั้นก็คือหมายถึงว่านามรูปนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้น เสร่มและผลสุดท้ายก็แตกสลายไปในที่สุดสังขารอันนี้ก็เรียกว่าโลกคือสังขารละโลกส่วนที่เรารู้จักกันอยู่ง่ายในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของนามกับรูปนามรูปหรือร่างกายกับจิตใจเมื่อมารวมกันเข้าก็เรียกว่าโลกคือสังขารละโลกพระพุทธองค์ได้รู้แจ้งในสังขารละโลกนี้ โดยจำแนกสังขารนี้ออกไปโดยละเอียดทานหลายที่ศึกษาในด้านของปรมัต ธ, ธรรมเช่นอย่างรูปปรมัตถ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ได้แสดงแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องรูปเนี่ยออกไปโดยละเอียดว่ารูปเนี่ยเกิดมาได้อย่างไรเช่นอย่างรูปร่างกายที่เรามีกันอยู่เนี่ยเกิดขึ้นมายังไงตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เป็นกาละขึ้นมาจนกรทั่งแต่สภาพเป็นอัมพุทธะเป็นเปสิเป็นคณะเป็นปัญจสาขา เจอทัางเป็นรูปร่างมีตาหูจมูกลิ้นมีตับไตใส้พุงอะไรต่างๆในร่างกายเราเนี่ยมากมายหลายอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรท่านแสดงไว้โดยละเอียดหมดแล้วก็แสดงไว้โดยละเอียดด้วยว่ารูปชนิดนี้เกิดมาจากอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้เกิดมาจากอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยท่านแสดงไว้ในรูปประมัติเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเป็นโลกวิูคือผู้รู้แจ้งโลก ที่เป็นส่วนของรูปส่วนนามธรรมนั้นก็จําแนกถึงสภาวะของจิตเช่นจิตมีอยู่แปดสิบเก้าหรือหนึรอยบเอ็ดวงเนี่ยจำแนกจิตประเภทนี้เป็นโลภะจิตนี่เป็นโทสะจิตนี่เป็นโมหะจิตนี่เป็นอเหตุตุกตจิตนี่เป็นมหาปุศสจิตเป็นรูปแต่อรูปาวจรจิตเป็นอรูปาวจรจิตเป็นโลปุตระจิตแสดงจิตแต่ละประเภทเนี่ยไปตามลําดับแจกเจตสิกออกไปอีกโดยละเอียด เนี่เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ไม่รู้แจ้งหมดแม้แต่บางอย่างบางเรื่องที่เราเรียนเราค้นกล้าในเรื่องของสรีรศาสตร์นั้นเรายังรู้ไม่ถึงแต่ว่าพระพุทธองค์รู้ถึงว่าอันนี้เรียกว่าอะไรประกอบด้วยอะไรเช่นอย่างคําว่ารูปกราบรูปกราบนี้ก็คือเรื่องของปรมาณูนั่นเองท่านแสดงถึงรูปที่เกิดขึ้นมาเนี่ยประกอบด้วยกราบรูปต่างๆเล็กๆละเอียดขนาดปรมณู มาจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็เป็นรูปร่างสันฐานขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยท่านแสดงเอาไว้โดยละเอียดหมดเพราะฉะนั้นความเป็นผู้รู้แจ้งโลกในส่วนของสังขารโลกนั้นก็คือจำแนกโลกเหล่านี้ออกไปท่านจำแนกโลกประเภทออกไปว่าถ้าถามว่าโลกนี่มีเท่าไหร่ท่านก็ตอบว่าโลกนี้มีหนึ่งก็ได้ที่ว่าโลกนี้มีหนึ่งนั้นหมายความว่า สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ดำรงอยู่ได้ต้องอาศัยอาหารเช่นอย่างคําว่าสัพเทสัตาอาหารรติติกาแปลว่าสัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ได้เพราะอาหารอาหารเนี่ยจึงเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งหรือเป็นโลกเป็นหนึ่งในโลกซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกจริงๆเพราะว่าเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้แล้วแม้เราจะมีสิ่งอื่นมากมายสักเท่าไหร่ก็ตาม ถ้าเราขาดอาหารเพียงหนึ่งเราอยู่ไม่ได้อาหารเป็นเรื่องสาคัญถึงเราจะมีวัตถุอื่นใดมากมายเนี่ยถ้าขาดแคลนอาหารแล้วโลกนี้เดือดร้อนทันทีเพราะชีวิตสัตว์ดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามองความสาคัญของอาหารเนี่ยน้อยลงมองความสาคัญเนี่ยน้อยลงตามลาดับ พาตมเคยเตือนพระท่านเคยเตือนญาติโยไมไว้ว่าอย่ามองผ่านในเรื่องของอาหารเพราะว่าอาหารเป็นหัวใจอันหนึ่งในโลกเพราะตมามเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ของพระพุทธศาสนาว่าสมัยหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่พระพุทธศาสนาได้เผชิญกับปัญหานี้มาแล้วคือเรื่องของความขาดแคลนอาหาร ในสมัยที่พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์ห้าร้อยรูปไปประทับอยู่ที่เมืองเวรัญชาที่เมืองเวรัญชาเนี่ยมีพราหมูหนึ่งคือเวรัญชพรามเวรัญชพราหม์นี่เลื่อมใสพระพุทธองค์มากแลว้วก็ได้ทูลให้พระพุทธองค์เนี่ยไปประทับจำพรรษาที่เวรัญที่เวรัญชาที่เมืองเวรัญชาครั้งนั้นปรากฏว่าเมืองเวรัญชานี้ประสบกับทุกข์ภิกขภัยประชาชนอดอยาก ไม่มีอาหารจะบริโภคทีนี้เมื่อไม่มีอาหารจะบริโภคแล้วพระสงฆ์ห้าร้อยรูปพระพุทธองค์อีกหนึ่งจะทําอย่างไรเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยฝากปากฝา ก, ฝา ก, ฝากท้องไว้กับชาวบ้านชาวบ้านท้องถิ่นนั้นไม่มีอาหารจะบริโภคก็มีพ่อค้าควียนเนี่ยแกมีกองคารวานเวียนไปแล้วก็มีถุงข้าวแดงห้อยไปที่ข้ามควียนก็เอาถุงข้าวแดงเนี่ยถวายพระแจกพระพระท่านก็เอาข้าวแดงเนี่ยมาโคล ก, กัน มาโคลกแล้วก็ไปต้มฉันแม้แต่พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปัฏฐากก็เคยไปนั่งโคลงข้าวแดงมาแล้วโขข้าวแดงที่เข้ายเนี่ยไปตําแล้วก็เอามาต้มฉันเนี่ยพระพุทธศาสนาเคยประสบปัญหานี่มาเรื่องการขาดแคลนอาหารแล้วก็มาในสมัยหลังยกกุคต่อมาเนี่ยเราได้ประสบกับปัญหาเนี่ยหลายครั้งแต่ว่าสมัยนั้นพระพุทธองค์ยังอยู่ ยังมีพระชนชีพอยู่ก็ประทับประคองพระพุทธศาสนาเนี่ยมาได้ไม่เดือดร้อนแต่ภายหลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จสัพขันธปรินิพานไปแล้วพระพุทธศาสนาเนี่ยที่วิวัฒนาการมาตั้งแต่หลังจากรินิพานมาแล้วเนี่ยตั้งแต่สัศตวรรษที่หนึ่งศตวรรษที่สองที่สามที่สี่มาตามลำหนักนะบางศตวรรษพระพุทธศาสนาเสื่อมก็ถามว่าที่เสื่อมนั้นเพราะอะไร ก็ปรากฏว่าเสื่อมเพราะประชาชนเนี่ยเกิดทุพพิกขฆไพถ้าพูดตามตามหลักในปัจจุบันนี้ก็คือเศรษฐกิจตกต่ําความขับขันทางด้านการครองชีวิตเนี่ยมีมากขึ้นประชาชนก็ไม่มีอาหารที่จะเฉลี่ยไปถวายพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ดํารงศาสนาไม่ได้เมื่อดํารงศาสนาไม่ได้พระสงฆ์บางรูปก็ต้องอวดอุตริมนุสธรรมซึ่งไม่มีในองค์ท่านเช่นการตั้งตนเป็นผู้วิเศษ ว่าอาตมาเนี่ยเป็นพระอระหันต์องค์นั้นก็ว่าอาตมาบรรลุเป็นโสดาบันองค์นี้ก็เป็นสะกะทาคามีเป็นพระอนาคามีอวดอ้างคุณวิเศษที่ไม่มีในตนเพื่อที่จะได้ลาภผลเนี่ยมาเลี้ยงชีวิตพระพุทธองค์งต้องบัญญัติวินัยขึ้นภิกษุรูปใดอวดอุตริมนุษสธรรมไม่มีในตนแล้วภิกษุรูปนั้นต้องถึงอบัตติปาราชิกคือหมายถึงว่าพ้นภาวะแห่งความเป็นภิกษุ มูลเหตุแห่งการบรรยัติสิกขาบทข้อนี้เกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากพระสงค์ประสบกับภาวะคับแค้นทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นการประพฤติตนในทางนี้ทางมิจฉาชีพเนี่ยจึงเกิดขึ้นมากเทมาเป็นห่วงเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีโยมมาเล่าให้ฟังว่าแถวหน้าวัดสุทัศน์ตอนเช้าเช้าเนี่ยพระท่านไปบินทบาทแย่งบินทบาทกัน ยืนรับบาดแย่งกันถึงกับเอาศอกกระทุ่งองค์นู้นกระทุ่งองค์นี้แล้วก็ที่ตรงไหนไม่ทราบเล่าว่าพระวางบาดวางมวยกันก็แย่งบินทบาทเราได้ยินได้ฟังได้แหมสะดห ด, ดหูใจหมดกําลังเลยว่โอ้โหทำไมถึงขนาดนั่นเชียวหรือจะ แ, แสดงให้เห็นว่าเนี่ยทวะทางด้านความเป็นอยู่ของประสงค์ในกรุงเทพเนี่ยเดือดร้อนในเรื่องอาหารบินทบาทจึงเกิดเหตุการณ์เช้นนี้ขึ้น บางองค์ก็ต้องไปยืนผูกขาดที่ใดที่หนึ่งเพื่อที่จะได้อาหารบิณฑบาตนี้เองมาเลี้ยงชีวิตท่านและที่เราน่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือผู้พิเศษเสด็ขึ้นมากมายพระท่านต้องไม่เป็นหมอดูก็ต้องเรียนเป็นหมอดูดูไม่เป็นก็ต้องดาวเป็นหรือมิฉะนั้นก็ต้องนั่งหลับตานั่งดูทางไในบ้างทำอะไรตร่อมีอะไรหลายๆอย่างบ้าง เนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อความเป็นอยู่ของท่านปัญหาเราเนี่ยเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากภาวะทางเศรษฐกิจญาตโยงใส่บาตรน้อยพระสงฆ์สมณี น, นท่านกอ็อดอาตมาเคยอยู่กรุงเทพเคยเคยอยู่แต่ว่าน้ำบินทบาทสักทีปีใหม่ทีก็ออกบินทบาททีถ้าบินทบาทวันไหนแล้วใจไม่สบายเห็นพระเส้นเดินบินทบาทแล้วแม้ใจหดหู่หมด แทนที่จะคิดบินทบาติคิดแต่จะใส่บาทอยู่ตลอดเวลาเพรสุดท้ายเลยไม่บินธบาติโยมต้องผูกปินโตให้ฉันปีใหม่ทีก็ออกทีนแล้วก็ทั้งนที่พระท่านบินธบาติเนี่ยไม่ใช่พอฉันนะอย่างในวัดมหาธาตุเนี่ยถ้าไม่ผูกปินโตก็ต้องมีลูกศิษย์ผงอาหารมือเพนปัญหาลหาวเนี่ยเราอย่ามองผ่านเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความความเป็นอยู่ความตายของศาสนา เพราะเท่าที่เราศึกษาในด้านประวัติศาสตร์มาเนี่ยทุกประเทศในภาค พ, พื้นเอเชียที่พระพุทธศาสนาไปประดิษฐานอยู่เหตุที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมนั้นก็เกิดมาจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจรัฐิการเมืองปัญหาทางด้านสังคมที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเวลานี้ยังมีศึกษาอยู่อีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศพม่าสหรัพพม่า พระพุทธศาสนาเคยจเจริญรุ่งเรืองเคียงคู่กับประเทศไทยมาก่อนเวลานี้ทรุดทั่วลงเกือบจะเอาตัวไม่รอดแล้วในประเทศธรรมะเพราะปัญหาฝรั่งเศรษฐกิจประชาชนถูกจํากัดอาหารพระอดอยู่ไม่ได้ต้องศึกศึกไปมากจะเรียนธรรมวินยัยก็เรียนไม่สะดวกจะประกอบกิจกรรมทางศาสนาเผยแผ่พระธรรมก็ขาดปัจจัยสี่ขาดการศึกษาขาดการเผยแพร่ นี่แหละที่ทําให้พุทธศาสนาเสือ่องในลังกาก็กําลังเสือ่องพระสงฆ์ลังกาเองมาเมืองไทยบอกว่าลังกาแย่แล้วผมจะสร้างโรงพยาบาลสงสแควร์หนึ่งยังไม่มีตังเลยท่านช่วยหาหน่อยสิอยากจะมาช่วยวิทยาลัยไปสร้างโรงพยาบาลที่ลังกาบอกโอ้ผมยังสร้างวิทยาลัยผมไม่เสร็จเห็นท่านจะยังไม่ไปหรอกท่าจะช่วยก็เห็นท่านจะช่วยในด้านอื่นได้อย่างเนี้ยตลอดจนประเทศอื่นๆ ที่เสื่อมมาแล้วปัญหาทางเศรษฐกิจรัฐการเมืองปัญหาสังคมตั้งนั้นรัฐการเมืองก็หมายถึงว่า่าสมัยใดเนี่ยผู้มีอำนาจขึ้นมาบริหารประเทศเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลไม่สนใจในเรื่องศาสนาหรือศีลธรรมแล้วก็ใช้ความปาดเถื่อนความไร้ศีลธรรมของตนเองเนี่ยทำลายศาสนายิ่งพวกที่ไม่นับถือพุทธศาสนาด้วยก็ยิ่งเบียดเบียนหนักขึ้นเช่นอย่างเวียดนามใต้ สมัยงโงดินเดียมเป็นแคทโตริกเบียดเบียนพุทธศาสนานด้เป็นตัวอย่างตลอดจนกษัตริย์อัคบ่าในสมัยศตรวรรษที่สิบหกที่ครองแผ่นดินอินเดียสมัยนั้นเผามหาวิทยาลัยนาลันทาฆ่าพระสงฆ์องค์เจ้านั่นเพราะอัคบ้าเป็นอิสลามตลอดจนศาสนาพุทธในอินโดนีเซียในฟิลิปปินในมาเลเซียที่ถูกทําลายมาตามลําดับเนี่ยก็เกิดมาจากรัทธิการเมืองทังสิน้น ปัญหาสังคมนั้นเป็นปัญหาเรื่องศีลธรรมถ้าสังคมขับแคลนขึ้นาศาสนาก็เดือดร้อนเช่นอย่างปัจจุบันเนี่ยวัดไหนเผลอไม่ได้หรอกพระถูกตัดคอสมภารองไหนนอนไม่ใส่กุติดีๆมีสตงางค์มากๆเดี๋ยวผู้ร้ายก็เข้าปล้นนี่แหละคือปัญหาสังคมที่ไปเบียดเบียนศาสนาเป็นเหตุให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยอาศัยวัดเป็นที่หากินมากขึ้นก็เกิดมาจากปัญหาสังคมขับแคลน เนี่ยปัญหาเหล่านี้พระสงฆ์เราขาดการค้นคว้าศึกษาเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ทราบว่าชะตากรรมของพุทธศาสนาในอนาคตนั้นเราควรจะเตรียมการไว้อย่างไรบ้างเพื่อความอยู่รอดของพระพุทธศาสนาและความอยู่รอดของสังคมมนุษย์ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้อาตมาขอฝากท่านสาวุชนไว้เพราะว่าเป็นเรื่องเรื่องเป็นเรื่องตายของศาสนาอยู่ ราอย่าคิดเพียงสั้นๆว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกเมืองไทยนี่คนศรัทธามากมายออกจะตายไปพุทธศาสนาในเมืองไทยจเจริญมากอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นขอท่านคิดอีกร้อยปีข้างหน้าอีกห้าสิบปีข้างหน้าร้อยปีข้างหน้าว่าถ้าหากว่าญาติโยมทั้งหลายที่มีศรัทธาในปัจจุบันเนี่้ล้มหายตายจากกันไปทีละคนทีละคนเด็กรุ่นหนังเขาเกิดขึ้นมาเขามีพื้นฐานทางาศาสนาเหมือนกับญาติโยมทั้งหลายมีหรือเปล่า ได้รับการอบรมมาดีไหมถ้าเขาไม่ได้รับการอบรมทางพุทธศาสนามาดีพอเขาเหล่านั้นจะบำรุงศาสนาได้ไหมจะรักษาศ า, าสนาไว้ได้หรือไม่เราต้องคิดในแง่นี้และก็ต้องคิดในแง่ของภาวะทางเศรษฐกิจด้วยว่าเราจะประสบปัญหานี้หรือไม่เราตออตมาติดตามศึกษาเรื่องนี้ตลอดเวลาอย่างการสัมมนาเมื่อไม่ช้าไม่นานวันนี้ เราทราบว่าแผ่นดินไทยเราเนี่ยมีพื้นที่ที่ทํากินได้ประมาณ50ล้านไร่แต่เวลานี้ประชาชนมี38ล้านเศษอีก20ปีข้างหน้าประชาชนคนไทยจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น40กว่าล้านถึง50ล้านแต่แผ่นดินเนี่ยจะเพิ่มไม่ได้แผ่นดินไทยอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นอะ่ะจะเพิ่มได้มีทางเดียวก็คือถมทะเลออกไป แต่ว่าเรามีพื้นที่ทํากินเพียงแค่นี้เฉลี่ยแล้วคนคนหนึ่งจะมีที่ทํากินประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่เนี่ยให้ท่านไปปลูกข้าวปลูกผักปลูกผลไม้กินเนี่ยพอกินไม่ได้หนึ่งคนหนึ่งไม่พอไม่พอกินเนี่ยอันนี้อาจจะกระทบกระเทือนกับพุทธศาสนาได้ในยุคใดยุคหนึ่งเพราะว่าพระพุทธศาสนาฝาไว้กับเศรษฐกิจ ประชาชนเนี่ยยากจนถึงโยมจะศรัทธายกก็ทําบุญไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีสตางค์จะทําบุญ เ, เพียงแค่ปัญหาง่ายๆเนี่ยอย่างในชนบทเนี่ยถ้าหากว่าท้องถิน่นใดประชาชนเนี่ยข้าวกล้าในนาปีนี้เสียไม่ได้วัดที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นทําอะไรไม่ได้เนะี่ะโบสถ์สร้างไว้ก็ต้องค้างเติมกุฏิพระก็ต้องค้างอยู่ญาติโยมจะไปทําบุญได้อย่างไรในเมื่อข้าวกล้าในนาก็ไม่ได้ พระท่านจะออกดีกาห ร, รืออะไรก็ท่านก็ไปซ้ำเติมชาวบ้านหนักเข้าไปอีกบ้านก็ขาดวัดก็ขูดโุสุดท้ายก็พูดกันไม่ออกโยงมุริธรรมยังไงสุดท้ายก็รังเกียจพระเจอหน้าก็แจกสรีการเรื่อยเนี่ยเป็นปัญหาที่เราไม่ควรจะมองผ่านขอให้คิดกันมากๆสักหน่อยหนึ่งแล้วเราจะได้เตรียมการไว้ว่าเราจะเตรียมการอย่างไรที่พระพุทธศาสนาจะไม่ประสบปัญหานี้ที่ในประวัติศาสตร์ เคยประสบปัญหานี้มาก่อนแล้วก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมมาแล้วเสื่อมเป็นประเทศประเทศไปเลยทีเดียวและเวลานี้กำลังล่อยหลอลงไปทีละประเทศทีละประเทศเหลือไทยเท่านั้นแหละที่ยังมั่นคงอยู่เพียงขยิตมือเดียวถ้าไทยเพลียงพลั้าไปอีกประเทศหนึ่งก็เป็นอันว่าไม่มีทางที่เราจะฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นได้แล้วปัจจุบันนี้อย่าไปคิดฟื้นฟูประเทศอื่น คิดฟื้นฟูประเทศไทยให้แข็งแรงให้มั่นคงเนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลนะถ้าหากว่าเราไม่สนใจในเรื่องนี้แล้วกาน่าวิตกกังวลอยู่ฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยท่านทั้งหลายที่ห่วงใยพระพุทธศาสนาแล้วควรคํานึงถึงในเรื่องนี้ให้มากว่าเราจะทําอย่างไรเตรียมการไว้อย่างไรเราจึงจะประคับประคองพระพุทธศาสนาเนี่ยไปได้ แล้วก็พระเนนไม่อดอยากถึงกับต้องประสบกับปัญหาเช่น <c oughs> ที่เราพบกันบ่อยๆในกรุงเทพเวลานี้ขนาดแย่งบินถบาทกันเนี่ยแม้ใจคอไม่สบายเลยโยมไปเล่าให้ฟังแล้วใจปวดหูหมดโอ้โหถึงอย่างงั้นเฉลือ <c oughs> ถึงกับต้องแย่งกับบินถบาทซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจเนี่ยเป็นปัญหาในทางเศรษฐกิจพระพุทธองค์ได้ตรัส เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้แต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ศึกษากันอย่างจริงจังไม่ได้ค้นคว้าออกมาว่าเราควรจะวางกฎเกณฑ์อย่างไรเพื่อที่จะเป็นหลักประกันได้ว่าพระพุทธศาสนานี้จะอยู่ต่อไปอีกเพราะว่าเรื่องของาศาสนานั่นเป็นเรื่องคู่กับโลกไม่ใช่อยู่เพียงสิบปียี่สิบปีหรือไม่ใช่ทำงานาศาสนากันเพียงปีสอง ป, ปีแล้วก็เลิกทา แต่เราจะต้องวางงานศาสนาเนี่ยเป็นได้ร้อยพันพันปีข้างหน้างานทั้งหลายที่เราทำเนี่ยควรคำนึงถึงอีกห้าร้อยปีข้างหน้าอีกหนึ่งันปีข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็ขอให้เราเนี่ยได้เริ่มต้นสนใจแล้วก็พยายามวางรากฐานอันเนี้ยขึ้นไว้ให้มั่นคงอยู่อย่างงานที่เราทำในปัจจุบันนี้มีโยมหลายท่านเป็นห่วงเจอหน้าที่ไรก็เป็นห่วง เป็นห่วงว่าเอพระเนรพิจิตตภาวันเนี่ยตั้งหลายหลายร้อยรูปและในอนาคตเป็นพันพันรูปเนี่ยจะอยู่กันยังไงนะท่านจะเลี้ยงไหวหรือประชาชนเขาจะเลี้ยงอย่างนี้ตลอดไปหรือได้เตรียมการอะไรไว้บ้างหรือเปล่าสมาก็บอกว่าเตรียมไว้เตรียมอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดหรอกแต่ว่าจะเลี้ยงได้ ตลอดไปหรือไม่ก็อยู่ที่เหตุการณ์ว่าเราได้เตรียมการอันนี้ไว้แล้วเป็นเตรียมมูลนิธิไว้เชิญชวนญาติโยมซื้อที่ดินไว้แล้วก็มีโยมถวายที่ดินไว้ให้เนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าหนึ่งในโลกนั้นคืออาหารถ้าโลกมีเท่าไรเราตอบโลกมีสองมีสองในที่นี้ก็คือมีรูปหนึ่งนามหนึ่ง โรคหนึ่งก็คือโรคโในส่วนวัตถุกับโรคในส่วนของนามธรรมถ้าโรคสามก็หมายถึงเวทนาสามคือความสุขของโลกความทุกข์ของโลกและความไม่สุขไม่ทุกข์ของโลกก็มีอยู่อย่างนี้นี่เรามองโลกในด้านของความสุขความทุกข์โลกนี้ก็มีอยู่สามโลกส่วนหนึ่งเป็นทุกข์โลกส่วนหนึ่งเป็นสุขโลกส่วนหนึ่งไม่สุขไม่ทุกข์นี่หมายถึงเวทนาสามถ้าโลกสี่ ถ้าโลกมีสี่ก็หมายถึงอาหารสี่ได้แก่กะพะระลีกาลาหารผัสสาหารวิญญาณอาหารมโนสังเจตนาหารซึ่งเป็นอาหารสี่เหล่านี้ถ้าโลกมีห้าก็หมายถึงอุปาทานาขันห้าถ้าโลกมีเท่าไรมีหก็หมายถึงอายตนะหกคือตาหูจมูกปีนกายใจนี่ก็เป็นโลกอันหนึง่งถ้าโลกมีเท่าไรมีสิบก็หมายถ้าโลกมีแปดก็หมายถึงว่าโลกธรรมแปด คือความเสื่อมลาบความมีลาบความเสื่อมยศความมียศความสุนรเสลมินทาความสุขความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องของโลกเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องโลกกระทเป็นของประจําโลกมีอยู่แล้วประจําโลกอย่างนี้ถ้าโลกสิบก็หมายถึงอายตนะสิบถ้าโลกสิบสองก็หมายถึงอายตนะสิบสองถ้าโลกสิบแปดก็หมายถึงท่าสิบแปดซึ่งท่านจะแมกโลกในส่วนสังขารละโลกเนี่ย ออกไปโดยละเอียดแต่ความหมายที่จะแนกโลกในด้านนี้ลึกซึ้งเหลือเกิ น, ใ น, กนกกกในเรื่องสังขาระโลกนี้ลึกซึ้งมากและได้ตราสไว้ในเรื่องสังขารละโลกนี้ซึ่งมีสันฐานยาวหนึ่งวากว้างหนึ่งศอกหนานหนึ่งคืบคืออัตภาพร่างกายของเราเนี่ยว่าเป็นโลกโลกหนึ่งซึ่งในสมัยนั้นได้มีปัญหาถามว่าที่สุดโลกนียอยู่ที่ไหน เพราะว่าบุคคลในสมัยนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ขวนขวายเหมือนกับในสมัยนี้ในสมัยนี้เราค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนอกโลกก็หวังว่าเราคงจะมีความสุขอาตมาเคยคิดเหมือนกันว่าทำไมอเมริกาจึงลงทุนมากมายไปดวงจันทร์เข้าไปกันทำไมกันเสียเงินงบประมาณทรงอพารโลไปครั้งหนึ่งตั้งหลายพันล้านบาทนี่กาเรเอาเงินหลายพันล้านบาทนี่มา ช่วยเหลือคนในโลกมนุษย์นี้จะไม่มีประโยชน์ดีกว่าหรือเขาหวังประโยชน์อะไรในโลกหน้าคือพระจันทร์หวังประโยชน์อะไรในโลกพระอังคารเคยคิดเล่นๆแต่เราก็ไม่รู้คว า, ามลึกซึ้งว่าเขาหวังประโยชน์อะไรบ้างแต่เราคิดในแง่ของธรรมะแล้วเนี่ยเราจะไปสู่โลกไหนๆก็ตามก็ไม่ใช่ที่สุดแห่งทุกข์ในโลกนั้ น, น, น หมายความว่าเราจะไปสู่โลกไหนได้ก็ไม่ใช่ว่าเราเนี่จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไม่พ้นเลยต้องไปเกิดไปแก่ไปตายทั้งนั้นไปโลกพระจันทร์ก็ตายไปโลกพระอังคารก็ตายจะไปโลกไหนก็ตายด้วยกันทั้งนั้นนะ่ะแล้วเราจะไปกันทำไมในเมื่อไปแล้วก็ไม่พ้นความแก่ความตายในสมัยนั้นโลหิตสัตวะเทวบุตรเคยมาทูลถามปัญหาพระพุทธองค์ว่าที่ฝุดโลกเนี่ยอยู่ที่ไหน เพราะว่าแกค้นคว้า ม, มานานแล้วตั้งแต่สมัยเกิดเป็นมนุษย์ออกบวชเป็นเลือดสีทำฌานอภิญญาได้เผะเร็วตารังรูปธนูออกจากแรงว่าเราจะเผะไปให้สุดเลยว่าสุดที่นี่แล้วเนี่ยเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปแล้วไม่แก่ไม่ตายเนี่เป็นเรื่องของโรฮกตตับเทวบุตแกก็พยายามที่จะหาทางไม่เกิดแก่เจ็บตายว่าเราจะไปสู่โลกไหนแน่ จึงจะไม่ประสบปัญหาเช่นนี้สมัยเด็กๆอาตมาเคยคิดคิดแบบเด็กๆเพราะว่าไม่เคยเห็นภูเขาเลยตั้งแต่เล็กๆจเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยอตมาไม่เคยเห็นภูเขาไม่เคยเห็นภูเขาอายุถึงสิบปีพอเห็นภูเขาครั้งแรกแม้ตื่นเต้นโอ้โหมันทำไมใหญ่โตโอ้โหนาณอย่างนี้แต่ว่าเย็นๆเราชอบมานั่งดูริมๆท้องฟ้าเนี่ยเมฆก้อนสูง ก็ถามผู้ใหญ่ว่านั้นอะไรผู้เขาใช่ไหมผู้ใหญ่ก็บอกว่าใช่พอเอิวันหนึ่งพ่อของเพื่อนอาตมานเนี่ยตายแล้วก็ไปเผาคนที่วัดเราก็ไปเผางานศพเนี่ยพอเผาแล้วแหมใจไม่สบายว่าเ อ, อเราจะต้องตายอย่างนี้เหมือนกันไปอยู่ที่ไหนนะถึงจะไม่ตายกลับมาบ้านมานอนคิดเ อ, อไปอยู่ในปุ่มจะตายไหมนะ ไปอยู่ในตู้จะตายไหมนะนางคิดอยู่อย่างเนี้ยถามโยมโยมบอกไปอยู่ที่ไหนมันก็ตายนันแหละหนีไม่พ้นหรอกคิดว่ า, าเอธานาไปอยู่ปีนฟ้าตรงโน้นเราออกจากนอกโลกนี้ไปเสไม่อยู่ในโลกเพราะโลกนี้มันเต็มด้วยความตายเนี่ยเราหนีโลกนี้ไปเสียเราจะตายไหมนะคิดตามภาษาเด็กๆพอโตขึ้นมาเราได้ศึกษาในพระสุตตันตปิฎกตอนึกว่าโอโลหิตตระเทวบุตรนี่ก็เป็นเพื่อนคิดของเราได้คนหนึ่งเหมือนกันเราก็เคยคิดอย่างนี้ แต่ของสุดท้าย ก, ก็ไม่ใช่เป็นทางที่จะพน้นความตายได้พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนอาวุโสในที่ใดพวกสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องจุติไม่ต้องอุบัติซึ่งในสถานที่นั้น ไม่ใช่ไปถึงได้โดยการเดินทางหมายความไม่ใช่ว่าเราจะมีจรวดเร็วๆแ ล, ล้วก็หนีจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นเพื่อไม่แก่ไม่ตายหรือจะมีอภิออนยาเหาะหนีโลกนี้ไปสู่โลกอื่นเพื่อไม่แก่ไม่ตายนั้นไม่สามารถที่จะพ้นได้สัตว์ทั้งหลายไม่พึงทราบถึงเห็นได้โดยการเดินทางไปพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า ดูก่อนนะ